นิทานเรื่องนกแขกเต้ากับชาวนาเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชาด ก, ก น, นะคะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเข้าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าอยู่ในเว็บไซต์นิทานค่ะทุกๆคนเนี่ยมีความสุขเมื่อสแสวงหาทรัพย์มาได้ หลายๆลายคนมีความสุขกับการครอบครองห่วงแหนทรับนั้นไว้ในขณะที่อีกหลายๆลายคนก็มีความสุขกับการใช้จ่ายทรั์นั้นแท้จริงแล้วเราจะแสวงหาความสุขจากทรัพย์สินได้ด้วยวิธีการใดทำอย่างไรเราจึงจะได้รับความอิ่มกายอิ่มใจ จากทรัพย์ของเราให้ได้มากที่สุดมีนกแขกเต้าฝูงหนึ่งประมาณ500ตัวอาศัยอยู่ในป่าหิ้วบนยอดเขาแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาหากินฝูงนกแขกเต้าต่างพากันบิน ไปกินข้าวสาลีในนาของชาวมคธเมื่อกินข้าวสาลีอิ่มแล้วต่างก็บินกลับรังด้วยปากเปล่าๆทั้งนั้นส่วนพญานกแขกเต้าที่เป็นหัวหน้าเมื่อกินอิ่มแล้วยังต้องคาบเอาข้าวสาลีอีกสามรวงกลับไปด้วยชาวนาเห็น ก็แปลกใจจึงพยายามดักจับพญานกแขกเต้าให้ได้โดยการสังเกตที่ยืนของพญานกนั้นแล้ววางบ่วงดักไว้วันหนึ่งพญานกถูกจับได้ชาวนาจึงถามพญานกว่า นกเอ้ยท้องของท่านน่ะคงจะใหญ่กว่าท้องของนกอื่นเพราะเมื่อท่านกินอิ่มแล้วยังต้องคาบรวงข้าวกลับไปอีกวันละสามรวงเป็นเพราะท่านมียุ่งฉางหรือเป็นเพราะเรามีเวรต่อกันมาก่อนพญานกตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มียุ้งฉางและเราก็ไม่มีเวรต่อกันแต่ที่คาบไปสามรวงนั้นรวงหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่ารวงหนึ่งเอาไปให้เขาและอีกรวงหนึ่งเอาไปฝังไว้ ชาวนาได้ฟังก็เกิดความสงสัยจึงถามว่าท่านเอารวงข้าวไปใช้หนี้ใครเอาไปให้ใครและเอาไปฝังไว้ที่ไหนพยานกแขกเต้าจึงตอบว่ารวงที่หนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่าคือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะ ท่านแก่แล้วและเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากทั้งให้กำเนิดและเลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบใหญ่นับว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านจึงสมควรเอาไปใช้หนี้รวงที่สองเอาไปให้เขาคือเอาไปให้ลูกน้อยทั้งหลายที่ยังเล็กอยู่ไม่สามารถ หากินเองได้เมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงเขาในตอนนี้ต่อไปยามข้าพเจ้าแก่เท่าเขาก็จะเลี้ยงตอบแทนจัดว่าเป็นการเอาไปให้เขารวงที่สเอาไปฝังไว้คือเอาไปทำบุญด้วยการให้ทานกับนกที่แก่ชารา นกที่พิการหรือเจ็บป่วยไม่สามารถหากินได้เท่ากับเอาไปฝังไว้เพราะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการทำบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้ชาวนาฟังแล้ว เกิดความเรื่มใสว่านกนี้เป็นนกกระตันยูต่อพ่อแม่เป็นนกมีความเมตตาต่อลูกน้อยและเป็นนกใจบุญมีปัญญารอบครอบมองการไกลพญานกได้อธิบายต่อไปว่าข้าวสาลีที่ข้าพเจ้ากินเข้าไปนั้นก็เปรียบเหมือนเอาทิ้งลงไปในเหว ไม่รู้จักเต็มเพราะข้าพาเจ้าต้องมาหากินทุกวันวันนี้กินแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมากินอีกกินเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะถ้าท้องหิวก็เป็นทุกข์ชาวนาวฟังแล้วจึงกล่าวว่า พยานกผู้มีปัญญาทีแรกนะ่ะข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นนกที่โลภมากเพราะนกตัวอื่นเนี่ยพอเขากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่คาบอะไรไปส่วนท่านนะ่ะบินมาหากินแล้วก็ยังคาบรวงข้าวกลับไปอีกแต่พอฟังท่านแล้วจึงรู้ว่าท่านไม่ได้คาบไป เพราะความโรคแต่คาบใบเพราะความดีคือเอาไปเลี้ยงพ่อแม่เอาไปเลี้ยงลูกน้อยและเอาไปทำบุญท่านทำดีจริงๆชาวนามีจิตเลื่อมใสในคุณธรรมของพยานนกมากจิ้มแก้เครื่องผูก ออกจากเท้าพญานกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วมอบนาข้าวสาลีให้พญานกรับนาข้าวสาลีไว้เพียงส่วนหนึ่งซึ่งกะคะเนแล้วว่าเพียงพอแก่บริวารจากนั้นจึงให้โอวาดแก่ชาวนาว่าขอให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาท มันสั่งสมกุศลด้วยการทำทานและเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เท่าด้วยเธิดชาวนาได้คติจากข้อปฏิบัติของพญานกจึงตั้งใจทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาจนตลอดชีวิต นกแขกเต้าผู้มีปัญญารู้ว่าควรบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมนับเป็นการใช้ทรัพย์อย่างชาญฉลาดที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีความสุขความเจริญสุขทั้งกายสุขทั้งใจ สุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตเราทุกคนเมื่อรู้จักเก็บรู้จักหาทรัพย์แล้วก็ควรรู้จักหาความสุขจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องด้วยเพราะการสแสวงหาหรือครอบครองทรัพย์สินที่มีไม่อาจสร้างความสุขใจไม่อาจทำให้เกิดบุญกุศลได้ เทียบเท่ากับการใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชีวิต